ลำดับที่4โวทานยานิเทศแสดงยานความรู้เป็นเหตุทำให้จิตผ่องแผ้วข้อ370หน้า234ยามนในโวทาน13เป็นสะไหนจิตที่แล่นไปตามอติตาลมตกไปข้างฝ่ายฟุ้งซ้านพระโยกาวจรเว้นจิตนั้นเสียย่อมตั้งมันจิตนั้นไว้ในฐานะหนึ่ง จิต ย, ย่ยอมอ ไ, ไม่ถึงความฟุ้งซ่านแม้ด้วยอาการอย่างนี้จิตที่ปรารถนาอนาคตาลมถึ ง, งความขัดแกว่งพระโยคาวรจรเว้นจิตนั้นเสียน้อมจิตนั้นไปในฐานะนั้นแหลจิตย่อมไม่ถึงความฟุ้งซ่านแม้ด้วยอาการอย่างนี้จิตที่หดหู่ตกไปข้างฝ่ายความเกียดคร้านพระโยคาวจรประคองจิตนั้นไว้แล้วละความเกียดคร้านจิตจะไม่ถึงความฟุ้งซ่าน แม้ด้วยอาการอย่างนี้จิตที่ประคองเกินไปตกไปข้างฝ่ายอุทจักพระโยคาวจรคมจิตนั้นเสียแล้วละอุทจักจิตย่อมไปถึงความฟุ้งซ่านแม้ด้วยอาการอย่างนี้จิตที่น้ำรับตกไปข้างฝ่ายกำหนัดพระโยคาวจรผู้รู้ทันจิตนั้นละความกำหนัดเสียจิตย่อมไปถึงความฟุ้งซ่านแม้ด้วยอาการอย่างนี้จิตที่ผักดัน ต่อไปข้างฝ่ายพยาบาทพระโยคาวจรเป็นผู้รู้ทันจิตนั้นละความพยาบาทเสียจิตย่อมไม่ถึงความพุ่งสัน้นแม้ด้วยอาการอย่างนี้จิตบริสุทธิ์ด้วยฐานะขบวราการนี้ย่อมขาวผ่องถึงความเป็นธรรมอย่างเดียวข้อ371้อหน้าสองความเป็นธรรมอย่างเดียวเหล่านั้นเป็นจะไหน ความเป็นธรรมอย่างเดียวในความปรากฏแห่งการบริจาคทานความเป็นธรรมอย่างเดียวในความปรากฏแห่งสมถานิมิตความเป็นธรรมอย่างเดียวในความปรากฏแห่งลักษณะความเสื่อมความเป็นธรรมอย่างเดียวในความปรากฏแห่งนิโรธความเป็นธรรมอย่างเดียวในความปรากฏแห่งการบริจาคทานของบุคคลผู้น้อมใจไปในจาคะทั้งหลายความเป็นธรรมอย่างเดียว ในความปรากฏแห่งสมถนิมิตรของบุคคลผู้มานประกอบในอธิจิตทั้งหลายความเป็นธรรมอย่างเดียวในความปรากฏแห่งลักษณะความเสื่อมของบุคคลผู้เจริญวิปัสสนาทั้งหลายและความเป็นธรรมอย่างเดียวในความปรากฏแห่งนิโรธของพระอริยะบุคคลทั้งหลายจิตที่ถึงความเป็นธรรมอย่างเดียวโดยฐานะสี่เหล่านี้จะเจิตที่ ปฏิปทาวิสุทธิผ่องใสพอ่อพูนด้วยอุเบกขาและถึงความร่าเริงด้วยยานก็372้อหน้า236อะไรเป็นเบื้องต้นเป็นท่ามกลางเป็นที่สุดแห่งปฐมฌานความหมดจดแห่งปฏิปทาเป็นเบื้องต้นความพอ่อพูนอุเบกขาเป็นท่ามกลางความร่าเริง เป็นที่จุดแห่งปฐมฌานข้อ373าความหมดจดแห่งปฏิทาเป็นเบื้องต้นแห่งปฐมฌานลักษณะเบื้องต้นมีเท่าไรลักษณะแห่งเบื้องต้นมี3คือจิตหมดจดจากอันตรายแห่งจิตนั้นจิตดำเนินไปสู่สมถานิมิตอันเป็นท่ามกลางเพราะเป็นจิตหมดจดจิตเล่นไป ในสมถานิมิตนั้นเพราะเป็นจิตที่ดําเนินไปแล้วจิตหมดจดจากอันตรายหนึ่งจิตดําเนินไปสู่สมถานิมิตอันเป็นท่ามกลางเพราะเป็นจิตอันหมดจดหนึ่งจิตแล่นไปในสมถานิมิตเพราะเป็นจิตดําเนินไปแล้ว1ความหมดจดแห่งปฏิปทาเป็นเบื้องต้นแห่งปฐมฌานลักษณะแห่งเบื้องต้นมีสาประการเหล่านี้ พระเอ็ดนั้นท่านจึงกล่าวว่าพระธรรมชาญเป็นชาญมีความงามในเบื้องต้นและถึงพร้อมด้วยลักษณะข้อสามหน้าสองความพอกโพลุเบขาเป็นท่ามกลางแห่งความธรรมชาญลักษณะแห่งความท่ามกลางมีเท่าไหร่ลักษณะแห่งความท่ามกลางมี3คือจิตหมดจด วางเฉยอยู่จิตดำเนินไปสู่สมถะวางเฉยอยู่จิตมีความปรากฏในความเป็นธรรมอย่างเดียววางเฉยอยู่จิตหมดจดวางเฉยอยู่1จิตดำเนินไปสู่สมถะวางเฉยอยู่1จิตมีความปรากฏในความเป็นธรรมอย่างเดียววางเฉยอยู่1ความพร่ำูนอุเบกขาเป็นท่ามกลางแห่งปฐมฌาน ลักษณะแห่งปฐมวชานมีสามประการเหล่านี้เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปฐมวชานเป็นฌานมีความงามในท่ามกลางและถึงพร้อมด้วยลักษณะข้อสาม้อยเจ็สิบห้าหน้าสอง้อยเจ็ดิบสาความร่าเริงเป็นที่สุดแห่งปฐมวชานลักษณะแห่งที่สุดมีเท่าไหร่ลักษณะแห่งที่สุดมีสี่คือ ความร่าเริงด้วยอัจว่าทำทั้งหลายที่เกิดในปฐมฌานนั้นไม่ล่วงเกินกัน1ความร่าเริงด้วยอัจว่าอินทรีย์ทั้งหลายมีกิจเป็นอันเดียวกัน1ความร่าเริงด้วยอัดวา่าวนำ ไ, ไปซึ่งความเพลี่ยนสมควรแก่ความที่ทำทั้งหลายไม่ล่วงเกินกันและความที่อินทรีย์ทั้งหลายมีกิจเป็นอันเดียวกัน1ความร่าเริงด้วยอาจว่าเป็นที่เสบหนึ่ง ความร่าเริงเป็นที่สุดแห่งปฐมฌาน ล, ลักษณะแห่งที่สุดมีสประการเหล่านี้เพราะเหตุนั้นท่านยังกล่าวว่าปฐมฌานมีความงามในที่สุดและถึงพร้อมด้วยลักษณะจิตอันถึงความเป็นไปสประการมีความงามสามอย่างถึงพร้อมด้วยลักษณะ10ประการอย่างนี้ย่อมเป็นจิตถึงพร้อมด้วยวิตกวิจารวิติสุข การอธิษฐานจิตศรัทธาวิริยะสติสมาธิและถึงพร้อมด้วยปัญญาข้อ376อะไรเป็นเบื้องต้นเป็นท่ามกลางเป็นที่สุดแห่งทุทียชาญความหมดจดแห่งปฏิปทาเป็นเบื้องต้นความพ่อภูนุเบกขาเป็นท่ามกลางความร่าเริง เป็นที่สุดแห่งทุติยฌานจิตอันถึงความเป็นไป3ประการมีความงาม3มอย่างถึงพร้อมด้วยลักษณะ10ประการอย่างนี้ย่อมเจิตถึงพร้อมด้วยวิจารณ์ปิติและถึงพร้อมด้วยปัญญาข้อ377หน้า237ออะไรเป็นเบื้องต้นเป็นท่ามกลาง เป็นที่สุดแห่งตติยฌานจิตอันถึงความเป็นไป3ประการมีความงาม3มอย่างถึงพร้อมด้วยลักษณะ10บประการอย่างนี้จิตย่อมเป็นจิตถึงพร้อมด้วยปิติสุขและถึงพร้อมด้วยปัญญาข้อ378รอยอะไรเป็นเบื้องต้นเป็นท่ามกลางเป็นที่สุดแห่งจตุฌาน จิตอันถึงความเป็นไป3ประการมีความงาม3มอย่างถึงพร้อมด้วยลักษณะ10ประการอย่างนี้ย่อมไปจิตถึงพร้อมด้วยอุเบกขาการอธิษฐานจิตศรัทธาริยะสติสมาธิและถึงพร้อมด้วยปัญญาข้อ379หน้า238ออะไรเป็นเบื้องต้นเป็นท่ามกลาง และเป็นที่สุดแห่งอากาสารนันจายตนะสมาบัติวิญญาณัญจายตนะสมาบัติอากินจัญญายตนะสมาบัติเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติจิตอันถึงคว า, ามเป็นไปสมประการมีคว า, ามงามสามอย่างถึงพร้อมด้วยลักษณะสิบประการอย่างนี้เจ้าเป็นจิตถึงพร้อมด้วยเวขาการอธิฐานจิต นั่ถึงพร้อมด้วยปัญญาก็้อ380หน้า238อะไรเป็นเบื้องต้นเป็นท่ามกลางเป็นที่สุดแห่งอนิจจานุปัสสนาจิตอันถึงความเป็นไป3มประการมีความงาม3มอย่างถึงพร้อมด้วยลักษณะส0ประการอย่างนี้ย่อมเป็นจิตถึงพร้อมด้วยวิตกวิจาร และถึงพร้อมด้วยปัญญาอะไรเป็นเบื้องต้นเป็นท่ามกลางเป็นที่สุดแห่งทุกขานุปัสนาอนตานุปัสนานิพิทานุปัสนาวิราคานุปัสนานิโรทานุปัสนาปฏินิสักานุปัสนาขยาณุปัสนาวยานุปัสนา วิปุรินามานุปัสสนาอา น, นิมิตานุปัสสนาอั ป, ปะนิหิตานุปัสสนาสุญญาตานุปัสสนาอาธิปัญญาธรร ม, มวิ ป, าาาปัสสนายถาภูตญาณัสสนะอธีนวานุปัสสนาปฏิสังขานุปัสสนาวิวัฒนานุปัสสนาโสดาปฏิมัก สกข า, ามิมักอนาคามิมักอรหัตมมักก็3า1รหน้าส3 8อาอะไรเป็นเบื้องต้นเป็นท่ามกลางเป็นนิสุทธแห่งอรหัตมักความหมดจดแห่งปฏิปทาเป็นเบื้องต้นความพอกปูนเบกขาเป็นท่ามกลาง ความร่าเริงเป็นที่สุดแห่งอรหัตมรรมความหมดจดแห่งปฏิปทาอันเป็นเบื้องต้นแห่งอรหัตธรรมลักษณะแห่งเบื้องต้นมีเท่าไหร่ลักษณะแห่งเบื้องต้นมีสาประการคือจิตหมดจดจากอันตรายแห่งเบื้องต้นนั้นดําเนินไปสู่สมถานิมิตอันเป็นท่ามกลางเพราะเป็นจิตหมดจดแล่นไปในสมถานิมิตนั้น เพราะเป็นจิตดำเนินไปแล้วหมดจดจากอันตรายหนึ่งจิตดำเนินไปสู่สมรรานิมิตอันเป็นท่ามกลางเพราะเป็นจิตหมดจดหนึ่งจิตเล่นไปในสมรรานิมิตนั้นเพราะเป็นจิตดำเนินไปแล้วหนึ่งความหมดจดแห่งปฏิปทาอันเป็นเบื้องต้นแห่งอรหัตธรรมะลักษณนะแห่งเบื้องต้นมีสามประการเหล่านี้เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าอารหัตรรม เป็นธรรมมีความงามในเบื้องต้นและถึงพร้อมด้วยลักษณะก้อ382หน้า239ามกความพ่อคูนเบขาเป็นท่ามกลางแห่งอรัตมรรมลักษณะแห่งท่ามกลางมีเท่าไหร่ลักษณะแห่งท่ามกลางมี3คือจิตหมดจดวางเฉย อ, อยู่1 จิตดำเนินไปสู่สมถะวางเฉยอยู่หนึ่งจิตมีความปรากฏในความเป็นธรรมอย่างเดียววางเฉยอยู่หนึ่งเพราะจิตหมดจดวางเฉยอยู่จิตดำเนินไปสู่สมถะวางเฉยอยู่จิตมีความปรากฏในความเป็นธรรมอย่างเดียววางเฉยอยู่เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าอรรถธรรมเป็นธรรมมีความงามในท่ามกลางและถึงพร้อมด้วยลักษณะ ข้อสามหน้า239ความร่าเริงเป็นที่สุดแห่งอาราตมักลักษณะแห่งที่สุดมีเท่าไหร่ลักษณะแห่งที่สุดมี4คือความร่าเริงด้วยอาจว่าธรรมทั้งหลายที่เกิดในอาราตมักนั้นไม่ล่วงเกินกัน1ความร่าเริงด้วยอาจว่าอินทรีย์ทั้งหลายม่กิจเป็นอันเดียว1ความร่าเริงด้วยอาจว่า นำไปซึ่งความเพียรสมควรแก่ความที่ทำทั้งหลายไม่ล่วงเกินกันและความที่อินทรีย์ทั้งหลายมีกิจเป็นอันเดียวกัน1นึ่งความร่าเริงด้วยอาจว่าเป็นที่ต้องเสพหนึ่งความร่าเริงเป็นที่สุดแห่งอรัตธรรมลักษณะแห่งที่สุดมีสี่ประการเหล่านี้เพราะเหตุว่าเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าอรัตธรรมเป็นธรรมมีความงามในที่สุด และถึงพร้อมด้วยลักษณะจิตอันถึงความเป็นไป3ประการมีความงามสามอย่างถึงพร้อมด้วยลักษณะสิบประการเหล่านี้ย่อมเป็นจิตถึงพร้อมด้วยวิตกวิจารปิติสุขการอธิษฐานจิตศรัทธาวิริยะสติสมาธิและถึงพร้อมด้วยปัญญานิมิตลมอัศาสะปัสสะ ไม่เป็นอารมณ์แห่งจิตดวงเดียวเพราะไม่รู้ธรรมสามประการจึงไม่ได้ภาวนานิมิตลมอาสาสะปัสสาสะไม่เป็นอารมณ์แห่งจิตดวงเดียวเพราะรู้ธรรมสามประการจึงจะได้เพลาภาวนาชะนี้แลข้อ3ามหน้า240ร้อยธรรมสประการนี้ไม่เป็นอารมณ์แห่งจิตดวงเดียว เป็นทําไม่ปรากฏหาไม่ได้จิตไม่ถึงความฟุง้งซ่านประธานปรากฏยังประโยคให้สำเร็จและบรรลุผลวิเศษได้อย่างไรเปรียบเหมือนต้นไม้ที่เขาวางไว้บนภูมิภาคที่เรียบุบรุษเอาเลื่อยมาเลื่อยต้นไม้นั้นสติของบรรุษย่อมเข้าไปตั้งอยู่ด้วยสามารถแห่งฟันเลื่อยซึ่งถูกที่ต้นไม้บรรุุนั้นไม่ได้ใส่ใจถึงฟันเรื่อยที่มาหรือที่ไป ฟันเลื่อยที่ผ่านมาหรือที่ผ่านไปจะไม่ปรากฏก็หาไม่ได้ความเพียรก็ปรากฏอยู่และยังประโยคให้สําเร็จปรลุผลวิเศษได้ความเนื่องกันเป็นนิมิตเปรียบเหมือนต้นไม้ที่เขาวางไว้บนภูมิภาคที่เรียบลมวมาสะปัสาธะเปรียบเหมือนฟันเลื่อยภิกษุนั้นตั้งสติไว้มั่นที่ปลายจมูกหรือที่ริมฝีปากไม่ได้ใส่ใจถึงลมอสาสะปฏสาธะ เข้าหรือออกลมอาสาสะปัสสาสะเข้าหรือออกจะไม่ปรากฏก็หาไม่ได้ประธานปรากฏให้ประโยคสําเร็จและพิสุกย่อมรลุผลพิเศษเปรียบเหมือนบุรุษตั้งสติไว้ด้วยสามารถฟันเลื่อยอันถูกที่ต้นไม้เก่าไม่ได้ใส่ใจถึงฟันเลื่อยที่มาหรือที่ไปฟันเลื่อยที่มาหรือที่ไปจะไม่ปรากฏก็หาไม่ได้ความเพียรปรากฏ และยังประโยคสํสำเร็จปรรลุผลวิเศษได้ฉะนั้นข้อ385หน้า241ประธานเป็นจะไหนแม้กายแม้จิตของวิสุผู้ปารบความเพียรย่อมควรแก่การงานนี้เป็นประธานประโยคเป็นจะไหนวิสุผู้ปารบความเพียร ย่อมละอุบากิเลสได้วิตกย่อมสงบไปนี้เป็นประโยคผลวิเศษเป็นฉไนพิสุผู้ปราลบความเพียรยํอมละสังโยชน์ได้อนุสัยย่อมถึงความพินาศไปนี้เป็นผลวิเศษก็ทำสามประการนี้ย่อมไม่เป็นอารมณ์แห่งจิตดวงเดียวอย่างนี้และทำสามประการนี้ไม่ปรากฏก็หาไม่ได้จิตไม่ฟุ้งซ่าน ประธานปรากฏอย่างประโยคสำเร็จและบรรลุผลวิเศษข้อ386หน้า241ภิบพิสุใดเจริญอาณาปานสติให้บริบูรณ์ดีแล้วอบรมแล้วตามลำดับตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วพิสุนั้นย่มอมยังโลกนี้ให้สว่างสวยัย เหมือนดวงจันทร์พ้นแล้วจากหมอกฉะนั้นคำว่าอาณนะได้แก่ลมอาศะไม่ใช่ลมปัสสะคำว่าอาปานะได้แก่ลมปัสสะไม่ใช่ลมอาศะสติเข้าไปตั้งอยู่ด้วยสามารถลมอสาสะปัสสะย่อมปรากฏแก่บุคคลผู้หายใจเข้าและผู้หายใจออก คำว่าบริบูรณ์แล้วความว่าบริบูรณ์บริบูรณ์แล้วด้วยอาจว่าถือเอารอบด้วยอาจว่ารวมไว้ด้วยอาจว่าเต็มรอบคำว่าจเจริญดีแล้วความว่าภาวนาสี่อย่างคือภาวนาด้วยอาจว่าธรรมทั้งหลายที่เกิดในอนาปานสตินั้นไม่ล่วงเกินกันหนึ่งด้วยอาจว่าอินทรีย์ทั้งหลายมีกิจเปน็นอันเดียวกันหนึ่ง ด้วยว่านําไปซึ่งความเพียรอันสมควรแก่ความที่ทําทั้งหลายไม่ล่วงเกินกันและความที่อินทรีย์ทั้งหลายวิกิจเป็นอันเดียวกันหนึ่งด้วยว่าเป็นที่เสพหนึ่งอาจแห่งภาวนาสีประการนี้เป็นอัดอันวิสุขนั้นทําให้เป็นดุจยานทําให้เป็นที่ตั้งน้อมไปอบรมแล้วปาราลบเสมอดีแล้วคําว่า ทำให้เป็นดุจยานความว่าวิสุทนั้นจำลองหวังในธรรมใดๆย่อมเป็นพูดถึงความจำนานถึงกำลังถึงความแกล้ากล้าในธรรมนั้นๆธรรมเหล่านั้นของวิสุท์นั้นเป็นธรรมเนื่องด้วยความคำหนึง่งเนื่องด้วยความหวังเนื่องด้วยมนัสิการเนื่องด้วยจิตตุประบาทเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าทาให้เป็นดุจญาน คำว่าทําให้เป็นที่ตั้งความว่าจิตย่อมมั่นคงดีในวัตถุใๆดใๆสติย่อมปรากฏดีในวัตถุนั้นๆก็หรือว่าสติย่อมปรากฏดีในวัตถุใดๆจิตย่อมมั่นคงในวัตถุนั้นๆเพราะเหตุนั้นท่านยังกล่าวว่าทําให้เป็นที่ตั้งคําว่าน้อมไปความว่า จิตน้อมไปด้วยอาการ ใ, ใดๆสติก็หมุนไปตามด้วยอาการนั้นๆก็หรือว่าสติหมุนไปด้วยอาการใดๆจิตก็น้อมไปด้วยอาการนั้นๆเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าน้อมไปคําว่าอบรมแล้วความว่าอบรมแล้วด้วยว่าถือเอารอบเด้วดว่ารวมไว้ด้วยว่าเต็มรอบ พิสุกํำหนดถือเอาด้วยชติย่อมชำนะอาคุศลธรรมอัลลามกได้เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าอบรมแล้วคำว่าปารบดีแล้วความว่าทำสอย่างพิสุปารบดีแล้วคือปารบดีด้วยอาจว่าทำทั้งหลายที่เกิดในอนาปานสตินั้นไม่ล่วงเกินกันหนึ่งหรืออาจว่าอินทรีย์ทั้งหลายมิกิบเป็นอันเดียวกันหนึ่ง ด้วยว่านําไปซึ่งความเพียรอันสมควรแก่ธรรมแก่ความที่ธรรมทั้งหลายไม่ล่วงเกินกันและความที่อินทรีย์ทั้งหลายวิกิตเป็นอันเดียวกัน1เพราะเพิกถอนกิเลสทั้งหลายซึ่งเป็นข้าศึกแก่ธรรมนั้นหนึ่งคำว่าเสมอดีความว่าความเสมอก็มีความเสมอดีก็มีความเสมอ เป็นจะไหนกุชลทั้งหลายอันไม่มีโทษเกิดในธรรมนั้นเป็นฝักฝ่ายแห่งความตัดสูนี้ชื่อว่าความเสมอความเสมอดีเป็นจะไหนความดับอารมณ์แห่งธรรมเหล่านั้นเป็นนิพพานนี้ชื่อว่าความเสมอดีก็ความเสมอและความเสมอดีนี้ดังนี้พิสูจน์นนรู้แล้วเห็นแล้ว ทราบแล้วทำให้แจ้งแล้วถูกต้องแล้วด้วยปัญญาความเพียรพิ่สุนั้นป่ารบแล้วไม่ย่อยหย่อนสติตั้งมัน่นไม่หลงลืมกายสงบป่ารบแล้วจิตเป็นสมาธิมีอารมณ์เดียวเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าป่ารบเสมอดีแล้วคำว่าอบรมแล้วตามลำดับความว่า พิสูจน์นั้นอบรมอนานาปานสติข้อตนๆด้วยสามารถลมหายใจเข้ายาวอบรมอนาปานัสติข้อหลังๆตามลําดับอบรมอานาปานสติข้อต้นๆด้วยสามารถลมหายใจออกยาวก็อบรมอนาปานสติข้อหลังๆตามลําดับอบรมอานาปานสติข้อต้นๆด้วยสามารถลมหายใจเข้าสั้นก็อบรม อนาปานสติข้อหลังๆตามลําดับอบรมอานาปานสติข้อต้นๆด้วยสามารถเราหายใจออกสั้นก็อบรมอนาปานสติข้อหลังๆตามลําดับอบรมอานาปานัสติข้อตนๆด้วยสามารถความเป็นผู้พิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าก็อบรม อนาปานสติข้อหลังๆตามลําดับอบรมอานาปานสติข้อต้นๆด้วยสามารถความเป็นผู้พิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกก็อบรมอานาปานัสติข้อหลังๆตามลําดับอานาปานสติมีวัตถุ16แม้ทั้งปวงอาศัยกันพิสุนั้นอบรมแล้วและอบรมตามลําดับแล้วเพราะเหตุนั้น ท่านยังกล่าวว่าอบรมแล้วตามลำดับคำว่ายะถาความว่าอัดแห่งยะถาสับมี1ิบคือความฝึกตน1ความสงบตน1ความยังตนให้ปรินิพาน1ความรู้ยิ่ง1ความกำหนดรู้1ความละ1ความเจริญหนึ่ง ความทำให้แจ้งห่งความจัดทะรู้สัจจะหนความยองตนให้ตั้งอยู่ในนิโรธหนึ่งคำว่าพุโทโธได้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ผู้ทรงเป็นสยามภูไม่มีอาจารย์แต่ทะรู้สัจจะทั้งหลายเองในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ถืจับมาแต่การก่อนทรงบรรลุความเป็นพระสัพพัญญูในธรรมนั้น และทรงถึงความเป็นผู้มีความจนานาญในพร ะ, ะธรรมทั้งหลายคําว่าพุทโธความว่าพระผู้มีพระภักเจ้าทรงพระนามว่าพุทธะพระอัตว่าอย่างไรพระผู้มีพระพักเจ้าทรงพระนามว่าพุทธะพระอัตว่าตรัสรู้สัจจะทั้งหลายพราดว่าทรงสอนให้หมูสัตว์ตรัสรู้ เพราะความเป็นพระสัพพัญยูเพราะความที่พระองค์ทรงเห็นธรรมทั้งปวงเพราะความที่พระองค์มีนายบดไม่เป็นอย่างอื่นเพราะความเป็นผู้มีสติไพยบู์เพราะนับว่าพระองค์สิ้นอาสวะเพราะนับว่าพระองค์ไม่มีอุปาิกเลตเพราะอัจว่าทรงปัจจจกราคะโดยส่วนเดียวเพราะอัจว่าทรงปัจจจกโทสะโดยส่วนเดียวพราดว่า ทรงปราศจากโมหะโดยส่วนเดียวรัตว่าพระองค์ไม่มีกิเลสโดยส่วนเดียวรัตว่าพระองค์เสด็จไปแล้วสู่หนทางที่ไปแห่งบุคคลเดียวรัตว่าตัดสลุอนุตละสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์เดียวเพราะทรงกำจัดเสียซึ่งความไม่มีปัญญาเพราะทรงได้ซึ่งพระปัญญาเครื่องตัดสลุ พระนามว่าพระพุทธเจ้านี้พระมารดาพระบิดาพระพาดาพระภคินีมิตรอมาตพระญาติสาโลหิตสมณะพรามเทวดามิได้เฉลิมให้พระนามว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นวิโมกขันติกานามคือพระนามที่เกิดในที่จุด แห่งอาราัตผลแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้ารตรัสรู้แล้วพระนามว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นสัติกาบัญญัติเกิดขึ้นพร้อมกับการทรงได้สัพพัญยุตยานันกวงไม้โพธิพึกคคำว่าทรงแสดงแล้วความว่าการฝึกตนมียาถาศัพเป็นอัดเหมือนบุคคลเป็นกระหัตก็ตาม เป็นบรัญรชีก็ตามฝึกตนแล้วพระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วฉะนั้นความสงบตนความยังตนให้ปรินิพานความยังตนให้ปฏิสฐานอยู่ในนิโรธมียถาศัพ์เป็นอัดเหมือนบุคคลเป็นกระหัตก็ตามเป็นบ ร, รัญชีก็ตามยังตนให้ปฏิสฐานอยู่ในนิโรธแล้ว พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงแล้วฉะนั้นคำว่าโลกได้แก่ขันธโลกธาตุโลกอายตนะโลกวิปติภาวะโลกวิปติสัมภาวะโลกสัมปัติภาวะโลกสัมปัติสัมภาวะโลกโลกหนึ่งคือสัตว์ทั้งปวงดำรงอยู่ได้ด้วยอาหาร โลก18คือท่า18บำว่าย่อมให้สว่างสวยัยความว่าพิสุนั้น ย, ออย่อมยังโลกนี้ให้สว่างสวยัยแจ่มใสเพราะเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งความฝึกตนความสงบตนความยังตนให้ปรินิพานความยังตนให้ปฏิษฐานอยู่ในนิโรธซึ่งมียะถาศัพท์ เป็นอัดทุกประการคำว่าเหมือนดวงจันทร์พ้นแล้วจากหมอกความว่าก็กิเลสเหมือนหมอกอริยะญาณเหมือนดวงจันทร์พิสุเหมือนจันทะเทพบุตรพิสุพ้นจากกิเลสทั้งปวงแล้ว ย, ออย่อมยังโลกนี้ให้สว่างสวัยเปล่งปรั่งและไพโลดเหมือนดวงจันทร์พ้นจากหมอกพ้นจากควันและจุลีในแผ่นดิน พ้นจากฝ่ามือลาหูยังโอกาสโลกให้สว่างสวัยแปลงปรั่งและไพโรฉะนั้นเพราะเหตุนั้นท่านยึงกล่าวว่าเหมือนดวงจันทร์พ้นแล้วจากหมอกยานในโวทานส3าประการนี้จบโวทานยานนิเทศที่สี่